Book two. 2สาสิบที่ร้านอาหารสองขอน้ำแอปเปิลครับขอน้ำมะนาวครับ ขอน้ำมะเขือเทศครับไไรชัตเอวูสติอาวูโปรสมผมขอไวน์แดงหนึ่งแก้วครับเดลบิคซิสกล e n นิชคู่ชีร์เวนเอห์ผมขอไวน์ขาวหนึ่งแก้วครับเ l ลบิคซิสกลเณนิชค a ่บีเลห์โฮผมขอแชมเปญหนึ่งขวดครับพรินส s t e mi prosím láhev š ฟชัมแปนส์ คุณชอบปลาไหมครับมาบคคุณชอบเนื้อวัวไหมครับมาชราดโฮเวซิม i สโซคุณชอบเนื้อหมูไหมครับมาชราวปรโวเสผมต้องการอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์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 คุณต้องการทานกับมันฝรั่งใช่ไหมครับจสบรมบรมรสชาติไม่อร่อยตมีนาคุตนาอาหารเย็นชืดตัยีดลอเยสตูเดเนผมไม่ได้สั่งจานนี้ตัมซีเนอบียดนาวกรุณาไปที่